การปูกธรรมะจะปูกธรรมะแบบป่าเพราะพระป่ า, ป า, ปามันคอศึกษากำรับตำราอย่างพวกอยู่ในบ้านในเมืองโดยส่วนใหญ่ก็ปูดไปตามเรื่องของป่าคือการประพฤติปฏิบัติที่คอยจิตอยใจอย่างไรก็ปูดกันไปตามเลือกทางศาสนาปกติ เดิมทีศาสนาจะมีขึ้นก็เพราะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่ได้ไปศึกษาสถานที่อื่นศึกษาจากป่าศึกษาจากธรรมชาติคือลงมือ ป, ปฏิบัติด้านจิตใจขัดข้องอะไรจะได้แก้ไข เลยถือเรื่องของป่าว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพราะป่านั้นเงียบสงบไม่มีเสียงรบกวนไม่มีคนเห็นพ่าดไม่มีการงานอะไรอื่นท่านก็ไปปรเพื่อปฏิบัติตามป่าเลื่อยไปจนตลอดวันตัดสตรู้ก็ตัดสตรู้ในป่าแสดงธรรม ผสมมาเทศนาปลดแสดงธรรมในป่าตลอดถึงปรินิพานถึงมีประชาชนผู้คนเลื่อมใสใจบุญสร้างสถานที่ให้เป็นวัดใหญ่ๆ อ, อย่างเศษ ต, ตวันหรือเรือรูวันบุพพาลามเหล่านี้เป็นต้นตอนท่านจะปรินิพานจรียงจังท่านก็ไปอยู่ในสถานที่เขาก่อสร้างให้ เดินไปเรื่อยๆจนไปถึงสวนสราอุทยานพวกมันลลกษัตย์ก็ไปนอนในป่าร่มไม้เป็นที่ปรินิปรานของท่านมีเหลื่งของพระพุทธเจ้าส่วนพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นมักอยากจะอยู่เป็นที่เป็นฐานเป็นป่าเป็นของไม่น่าอยู่น่าอาศัย พอจิตใจของอุทุชนคนหนาทั่วไปใส่คิดติดข้องกับเรื่องตามอารมณ์ต่างๆยินดีชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งๆิงเหล่านี้ปกติไม่ว่าจะมนุษย์พวกสัตว์ที่ได้สารกดติดข้องเหมือนกันความติดข้องใน การมารมณ์นี้เป็นสิ่งที่ทำความสุขความสบายให้สำหรับผู้ที่ยินดีพอใจแต่ความทุกข์ความลำบากยากเย็นนั้นมีมากหากจะพัร น, นาแล้วเรื่องความทุกข์เพราะความติดข้องของการอารมณ์มากมายจนไม่สามารถที่จะบรรยายให้ถึถงได้คนเรา ที่มีความร้องไห้เสียใจที่ลายลํำพันต่างๆโดยส่วนใหญ่จิตข้องในวัตถุในการารมณ์ทั้งนั้นท่านที่ประพฤติปฏิบัติอัดทมละถอนเห็นภัยในเรื่องเหล่านี้ท่านไม่ยินดีจิตข้องจิตใจของท่านสว่างสวัยจิตใจของท่านเบาสบายอยู่สถานที่ใดเย็นใจเป็นสุขนี่คือท่านในจิตข้อง ในเรื่องการมารมต่างๆทางที่จะปฏิบัติให้ละถอนเรื่องความจิดข้องเหล่านี้พระพุทธเจ้าเคยชี้นิพิจารณามาเป็นระยะนานจนใล ต, ตรัสรู้มาแนะนำสัตว์ถั่วไปว่าการที่จะประเพื่อปฏิบัติใจให้ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีทุกข์เกี่ยวข้องต้องอาศัยการภาวนา คือการํำระจิตใจของตัวไม่ใช่จะเอาวัตถุมาํำระได้วัตถุจะมีมากขนาดไหนใจก็ไม่มีเมืองคอไม่มีเมืองอินมมีมากเท่าไรก็ยิ่งอยากได้ถทาทีคูณขึ้นไปไม่ว่าตั้งแต่ปุถุชนหรือคนอยากจนธรรมดาอย่างพวกเราท่านปกติเมื่อยังไม่มีสมบัติมาก ถ้ามีพันมีหมื่นกับเขาเราคงจะเย็นใจสบายใจพอได้พันได้หมื่นอยากได้แสนพอมีแสนอยากได้ล้านมีล้านอยากได้พันล้านแสนล้านเรื่อยไปไม่มีเมื่อพอรูปก็เหมือนกันที่พวกเรายึดมั่นชอบ จ, จิตติดใจโดยส่วนใหญ่รูปที่เราต้องการนั้นได้มาใหม่ๆหรือกําลังต้องการในจิตในใจก็ เป็นความสุขแต่พอมาอยู่ร่วมกันนานวันเข้าเกิดความเบื่อหน่ายไม่ชอบจิตจิตข้องในรูปนั้นไปชอบรูปใหม่จิตใจของเรามันเป็นอย่างนั้นทุกคนไปถ้าหากเราสั้งเกตเหตผลเรื่องเหล่านี้จะเห็นเรื่องจิตเป็นอคติเห็นจิตเป็นเรื่องอนิจจังไม่ตั้งมั่นหวั่นไหวตามสัญญาอารมณ์ผั่วไป เมื่อเราเห็นอย่างนั้นทางปฏิบัติธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำขันจึงให้เร่งพิจรารณาใจพ้องตัวให้จับจิตจากใจว่าระยะนี้เรานึกคิดติดข้องกับเรื่องอะไรเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องสําระใจหรือเป็นเรื่องสะสมชิเลถ้าหะาติดข้องเสาร์หมองในเรื่องกามอารมณ์ต่างๆก็งอะไรชื่อว่าเราติดข้องในเรื่องต่ำ ยังชั่วที่จะนำทุกมาแผ่เผาตัวของเรามันสำลระมันสะสางการสำลระสะสางจิตใจก็ต้องอาศัยจิตนั้นมีสมาธิคือความหนักแน่นตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวมีปัญญาทิศนิพิจแลนานตามสภาวะเหล่านั้นใครรู้จักตามเป็นจริงของมันว่าเรื่องที่จิตติดข้อง ยินดีชอบใจนั้นเป็นอะไรกันแน่เช่นผู้หญิงชอบผู้ชายผู้ชายชอบผู้หญิงเรื่องเหล่านี้มันเกิดมีขึ้นมาจากที่ไหนอะไรกันที่มันติดข้องท่านเหพิจาลณาถึงมูลความจริงของมันว่าเรื่องของหญิงก็ดีชายก็ดีเป็นแต่สมมุติไม่มีอะไรเป็นหญิงเป็นชายจะถามดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ ผมหรือเป็นหญิงผมหรือเป็นชายเขาไม่ยินดีที่จะตอบเราเพราะผมก็เป็นสมมุติอันหนึ่งขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือไม่ทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นหญิงเป็นชายร่างกายที่เราถือว่าเป็นของสวยสดงดงามมีความกำนัดยินดีอยากกอดอยากจูบต่างๆเพราะจิตใจของเราฟุ่งเฟุอ ไปในทางผิดคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของสวยสดงดงามแต่วามจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติของมันในธาตุในขันธ์ของหญิงของชายเป็นอย่างเดียวกันเต็มไปด้วยธาตุทั้งสี่คือธาตุดินหมายถึงสิ่งที่ข้นแข็งธาตุน้ำหมายถึงสิ่งทีง่เอิบออาบภายในกายธาตุลมธาตุไฟ หมายถึงสิ่ง ท, ที่มีอยู่ในตัวของพวกเราท่านเหมือนกันทั้งหญิงทั้งชายไม่มีหญิงคนใดชายคนใดจะมีถาดใหม่ถาดเหล็กถาดคองเป็นถาดอันเดียวกันเมื่อเป็นอย่างนั้นถาดเหล่านี้ที่มันแสดงออกเป็นอย่างไรถ้าหาที่นี้พยยนนิจารณาด้วยใจเป็นธรรมไม่มีอาาัติไม่มีกิเลสเป็นเครื่องนาหน้าจะเห็นว่าถาดเหล่านี้ไม่ใช่ของดี ของดีเสร็ออกมาทางหูก็เรียกสี่หูหรือมูวนหูออกมาทางตาก็เรียกสี่ตาออกมาทางจมูกก็เรียกสี่จมูกมูวนจมูกหรือสี่ด่างสี่หมูไปเทียบสีตามฟันก็เรียกว่าสี่ฟันไปเทียที่ไหนมันสวยมันงามน่ายิยนดีน่าเหลื่อมใสหอมหอชวนชวนดมไม่มีทางนั้นในตัวของพวกเราท่านเต็มไปด้วยของสกปรกเต็มไปด้วยของไม่สะอาด หาที่เจรารู้เห็นเด่นชัดภายในใจจริงจังว่าสิ่งเหล่านี้ธรรมาชาติของมันปฏิกูลไม่ต้องสมมติว่ามันปฏิกูลเมื่อก่าปฏิกูลอยู่อย่างนั้นถ้าหากแยกแยะออกไปแต่ละสิ่งแต่ละอย่างภายในกายของพวกเราท่านไม่ว่ากายของหญิงไม่ว่ากายของชายเราจะไปชอบใจยินดีหรือไม่กลัวเชื่อ ด, ด้วยว่าเป็นผีพอแตังแก่หมดลมหายใจเท่านั้นว่าเป็นผีไม่ยินดีถึงชอบ จิตติดข้องอยู่แต่ก่อนพอหมดลมเท่านั้นก็ให้หามนี้หรือต้องหาคนอื่นมาเฝ้าเป็นเพื่อนเพราะกลัวว่าเป็นผีไปแล้วถ้าหากมันแตกกระจายออกไปพวกใส่พวกพุงตับไตาภายในเราเลื่อมใสยินดีไหมไม่มีใครเอาไปเป็นเครื่องประดับเพราะเหตุใดเพราะมันไม่สวยไม่ไม่งามเหตุนั้นจึงว่าธาตุขันของทุกคนไม่ใช่ของสวยสดงดงาม หากที่เรณาติดตามด้วยใจจริงมีความจริงในใจมีอาจมีธรรมแล้วจึงไม่ควรลุ่มไม่ควรหลงไม่ว่าจะไม่ควรไม่หลงเอาเลยเห็นก็ชักแต่ว่าเห็นไม่ยินดีติดข้องจิตที่ไม่ยินดีติดข้องเมื่อมันนีบาดไปสิบหายไปมันจะมีความเสียใจไหมจะร้องไห้ไหมก็เพราะเราไม่ยินดีไม่ติดข้องจะมีอะไรเสียใจนี่คือการรู้เห็นเด่นชัดในจิตในใจ ใถ้ถอดถอนละความจิตข้องของใจส่วนนั้นเหมือนกันกับน้าลายของเราบ้วนออกไปถึงมดถึงสัตว์อื่นจะมาเหยียบมากินมาเจาะอย่างไรเราไม่มีการเสียใจเพราะเราละทิ้งได้มีการพิจรารณาเรื่องของถาดขันภายในที่พระพุทธเจ้าสั่นสอนขอให้ละถอนอย่างนั้นอย่าไปติดข้องอย่าไปสําคัญหมายว่าหญิงว่าชายว่า สัตว์บ่าบุคคลว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาหากพวกเราท่านที่นิจจารณาอย่างนั้นจนจิตใจรู้เห็นตามเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นจึงไม่มีอะไรเป็นเครื่องอัศจรรยน์นอกจากคนลุ่มคนหลงคนมืดคนบอดงมงเสาวๆอยู่แถวนี้ไม่มีคนดบคนดีที่มีสติปัญญามีวิชาดิมุตจะมาหลงกันโลกอันนี้อุเทจรคนนาะ ท, ที่เกลียด ตัญหาทับถมจิตใจเท่านั้นที่เขาหลงกันหากคนงูคนดีมีสติปัญญาเขาไม่หลงกันฉะนั้นจิตใจของพวกเราท่านหากทิจารณาตามธรรมะจิตใจที่เคยชั่วชา้าลามกติดข้องเสาหมองต่างๆจะมีวันมีเวลาเบาบางจะมีวันมีเวลาปล่อยวางละถอนเรื่องจิตข้องจึงเป็นจิต ที่สร ง, งาเป็นจิตที่ผ่าเผยเป็นจิตที่เบิกบานเป็นพุโทโธรู้อยู่ตลอดระยะเวลาจะเป็นก่อรู้จะตายก็รู้ไม่มีวันหลงไปตามเรื่องของกิเลสตัณหานี่เป็นอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติแต่การจะประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้โดยส่วนใหญ่อาศัยที่วิเวคือป่าหาที่สงบส ง, งดเพราะไม่มีอะไรเพื่อนฝูงที่จะคุยคุย ไม่มีเสียงอะไรจะรบกวนเรากําหนดจิตพิณิพิจรารณาตัวของเราอยู่สม่ําเสมอรู้เรื่องของเราโดยทั่วถึงแล้วโลกเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดอย่างไรก็เหมือนกันหมดเพราะเราก็เป็นคนทาาสีเหมือนกันสัตว์หรือคนอื่นทั่วไปไม่ว่าแต่างประเทศไทยประเทศนอกเหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะยินดี พอตัวของเราเป็นอย่างไรเข้าใจอย่างนั้นพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจเป็นอนิจจังคือความไม่ตั้งมั่นแปรปวนไปอยู่ทุกการทุกเวลานี่เป็นเรื่องของธรรมะเรื่องของสติเรื่องของปัญญาเรื่องของผู้ที่ตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติเพื่อจะข้ามจากทุกขความจริงทุกนั้นมันมีอยู่แต่เราไม่ในที่นี้พิจรารณาเรื่องของทุกจึงไม่กลัวทุก พอาจะตายกันจริงๆจึงไปเรียกร้องให้คนนั้นมาช่วยให้คนนี้มาช่วยจะช่วยกันได้อย่างไรพระพุทธเจ้า่ะทุกเหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะยินดีเพราะตัวของเราเป็นอย่างไรเข้าใจอย่างนั้นทิจรารณาให้รู้ให้เข้าใจเป็นอนิจจังคือความไม่ตั้งมั่นแปรปวนไปอยู่ทุกการทุกเวลานี่เป็นเรื่องของธรรมะ เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเรื่องของผู้จี่ตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติเพื่อจะข้ามจากทุกความจริงทุกนั้นมันมีอยู่แต่เราแม่ในที่นี้พิจรารณาเรื่องของทุกขจึงไม่กลัวทุกเพราจะตายกันจริงๆรงจรึงไปเรียกร้องให้คนนั้นมาช่วยให้คนนี้มาช่วยจะช่วยกันได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจว่าทุกเป็นอริยสัตว์เป็นของจริงมันจริงอยู่แค่ไหนให้พิจรารณาดู